ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นขบวนทั้งหมดก็เดินตามเส้นทางสายใหม่อันกองสูงพูนขึ้นมาจากซอกแคบๆเดิมในระหว่างช่องเขาผลจากบริเวณแนวบีบขนาบออกมาและเห็นหนานอินกะคยินนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วที่ริมทางเบื้องหน้าขณะนั้นตะวันเริ่มจมตัวบางเหลี่ยมขุนเขาลิบๆไปทางด้านตะวันตก มีแต่แสงอัสดงเท่านั้นที่ยังกระจายแดงฉานอยู่ยังช่องยังท้องฟ้าที่พอจะมองเห็นโล่งเบื้องบนเข้าไม่ถึงหุวยเสือร้องก่อนคําเสร็จแล้วานนายเสียงนั้นอินร้องบอกมาก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าไปถึงมไม่เป็นไรเดินต่อไปเท่าที่จะเดินได้ก็แล้วกันลุงยินแก่รอยนําไปข้างหน้าขายินไปคุ้มปิดท้าย ท่านชดสั่งความในฐานะผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาของเขานันอินออกเดินดุมดุมนำไปเบื้องหน้าด้วยฝีเท้าปกติของแกส่วนขยินนั่งรอจนกระทั่งขบวนผ่านหน้าไปหมดเส้นทางระยะนี้เป็นแนวทางลักษณะเดียวกันกับที่เดินกันมาแล้วบนสันเขาก่อนที่จะเข้าสู่แนวบีบขนาบของช่องผามรตยู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 ตัวหล่อนเองคอยเดินใกล้ชิดชยันสังเกตอาการเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะช่วยเหลือได้ในทันทีถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับความไม่สมประกอบชั่วขณะของเขาแต่ก็เห็นชยันก้าวเดินไปได้อย่างปกติแม้จะไม่คล่องแคล่วปราดประโยวนักก็ตามไอ้ด้วนไม่ปรากฏตัวหรือเสียงกระดึงผูกคอมันมาให้ได้เห็นหรือได้ยินอีกในระหวานน่างนี้ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่า มันคงจะเตลดิดหนีพายุประหลาดลักษณะเหมือนทอร์นาโดที่เกิดขึ้นเข้าไปหลบซ่อนห่างไกลอยู่ในหุบแห่งใดแห่งหนึง่งดารินมีกังวลต่อมันเหมือนเพื่อนผู้ร่วมเดินทางด้วยคนหนึง่งแต่เชษฐาปลอบใจว่าจะไปโมหงอะไรกระช่างป่าขนาดได้ด้วนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงพลัดไปไหนหรอกน้อยถึงเวลามันก็วกมาหาเราเองแหละหรือบางทีก็อาจจะไปดักรอคอยเราอยู่ข้างหน้าแล้ว ห่วงแต่พวกเราภายในคืนนี้เธอถ้าเข้าไม่ถึงหัวเสือร้องก็เห็นจะต้องระวังตัวกันแจทีเดียวอีกอย่างหนึง่งก็ให้ดูแลอาการของชัยยันไว้ดีด้วยรุดหน้ากันไปท่ามกลางไพรเถื่อนยามใกล้ย่ำสนธย า, ยาซึ่งแสงแห่งทิวาการโรยตัวลงมาตามลำดับอากาศเริ่มจากขมุก ข, ขมัวเป็นสีเทามองอะไรไม่สู้จะกระจ่างชัดนะัก อนุชาผู้ล่วงหน้านำไปประมาณสามสิบเมตรมีการวิทยุรายงานมาให้พี่ชายใหญ่และคณะทราบอยู่ตลอดเวลาถึงวิแววร่องรอยต่างๆบรรยากาศเงียบเชียบไม่มีเสียงสิงสัตว์จตุระบาดหรือแม้แต่นกแววมาให้ได้ยินเลยป่ามันส ง, งบเงียบผิดปกติการระวังภัยไม่น่าหนักใจนักเพราะมองเห็นหนทางที่จะเดินไปโล่งตลอด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 เมื่อถึงบริเวณที่เทลาดลงตักแล้วบัดนั้นเองทุกคนที่เดินอยู่เบื้องหลังก็เห็นอนุชาและหนานอินไปหยุดรอยอยู่ยังทางด่านแยกซ้ายและขวาซึ่งขวางดักอยู่ลักษณะมีการตรวจพื้นกันอย่างทีท้วนมองเห็นในระยะห่างๆสีกซ้ายมือจะนำขึ้นยอดเขาหรือเนินไม่สู้จะสูงนักลูกหนึ่งและสี่ขวามือ เป็นเส้นทางเดินเลียบเลาะไหลเขาต่อไปในสภาพคดเคี้ยววกเวียนไปมาเป็นไงมีอะไรสงสัยเหรอเชศถาถามไปทางวิทยุขณะที่ขม้นมองไปยังบุคคลทั้งสองน่าแปลกมากครับพี่ใหญ่ร่องรอยของกระบวนระพินแยกขึ้นเนินทางด้านซ้ายมือนี่เราเรียกกันว่าเนินสักดำ แทนที่จะเลาะไปตามเส้นทางบ่ายหน้าขึ้นสู่ห้วยเสือร้องแล้ว ม, มันหมายความว่ายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันละครับกำลังคิดอยู่นี่ตามปกติแล้วถ้าไม่มามืดค่ำตรงนี้พวกเขาก็ควรจะเดินต่อไปอนุชาบอกมาอย่างงงงและจากตาแหน่งหนุนทางสองแพร่งนั้นระยะมันอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงห้วยสือร้องพี่ชายใหญ่ ถามต่อมาก็เดินอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ควรจะถึงนะครับและทาราพินเป็นคนนำทางเขาก็น่าจะพาเดินต่อไปจนถึงห้วยสือร้องเลยหากไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคทำไม่ต้องชะงักเดินขึ้นไปอาศัยพักอยู่บนเนินลูกนี้ซะก่อนเชิดฐาและทุกคนเร่งฝีเท้าทันทีแล้วก็มาทันบุคคลทั้งสองที่กาลังยืนตรวจบริเวณกันอยู่อย่างชนิดอ่านเหตุการณ์ นันอินแงนมองขึ้นไปยังยอดเนินอันขึ้นปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่ยืนต้นแต่ไม่สู้จะทึบเท่าใดนะักบนนั้นไม้ที่ขึ้นอยู่ก็เป็นต้นสักทั้งนั้นแต่เป็นสักที่มีเนื้อไม้สีดํามีรอยของพวกนายระพินขึ้นไปบนนั้นแน่แน่ทางซ้ายมือนี่ไม่มีรอยเดินไปของพวกนั้นเลยแต่ถ้าจะไปห้วยเสือร้อง แล้ดันผ่านขึ้นไปบนเนินสักดำสกักก่อนมันก็ไม่ถูกเรื่องเพราะหนทางสบายมีเดินไม่เดินจะไปไตเข า, ายากทำไมนั้นอินพูดเหมือนบ่นกับตัวเองทุกอย่างล้วนเป็นปริศนาไปหมดก็อย่างที่พี่พูดว่าเมื่อร์กี้จะเป็นไปได้ไหมนั่นก็คือรับพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่ตอนค่ามืด ไม่อาจเดินทางต่อไปได้ก็เลยไต่ขึ้นเนินไปหาที่พักก่อนเพราะบริเวณแถบนี้บนนั้นน่าจะปลอดภัยสำหรับการพักแรมมากที่สุดพี่ชายใหญ่ย่างความเห็นก็ทารพินนำพวกนั้นมาถึงที่นี่ตอนค่ำก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปพักแรม บ, บนนั้นก่อนนี่ครับอนุชาทวนคำชาช้าจะยังไงซะพอเช้าวันรุ่งขึ้น เขาก็จะต้องกลับลงมาใช้เส้นทางที่เลาะไหลเขาซีขวามือนี่อยู่วันยังคำ่ำแต่นี่เราไม่เห็นวี่แววการเดินทางผ่านเลยนอกจากจะมุ่งขึ้นสู่ยอดสักดำทางเดียวเท่านั้นเออเดียวสมมติว่าขึ้นไปบนยอดสักดำที่แกว่านี่แล้วนะเมื่อต้องการจะออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งไปยังห้วยเสือร้องจะมีหนทางอื่นโดยไม่ต้องย้อนลงมาผ่านเส้นทางซีขวามือนี่ได้ไหมล่ะ ชยันพูดขึ้นเป็นประโยคแรกอนุชาหน่งชงักไปเพราะเขาเองก็ไม่ชำนาญในเส้นทางนะักแต่นานอินตอบแทนขึ้นทันทีถักขึ้นไปบนยอดซักดำแล้วจะไปห้วยเสือรองมันก็มีทางไปได้อีกเหมือนกันแหละนายทหารไม่ต้องย้อนกลับลงมาทางเดิมแต่ทางเดินมันลำบากหน่อยเท่านั้นไปนแง่หินเลียบเหวกัน มากกว่าเส้นทางซีขวามือนี่ขณะนั้นมืดสลัวลงเต็มทีแล้วเข็มนาฬิกาข้อมือของเชษฐาชี้บอกเวลาสิบเจ็บนาฬิกาห้านาทีอดีตนายทุนอดีตท่านทูตทหารบกตบหลังน้องชายเบาๆบอกอย่างตัดสินใจว่าอ่ะพวกเขาไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นแหละเพื่อเห็นชัดๆว่ามีร่องรอยพักอยู่บนนั้นหรือเปล่า และสำหรับฝ่ายเราเองขณะ น, นี้มันก็หมดเวลาเดินซะแล้วพวกเราก็ต้องยึดที่พักบนนั้นเหมือนกันสำหรับวันนี้เอาแว่เห็นหลักฐานบนนั้นซะก่อนบางทีมันจะบอกเราได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างที่เราได้กันมาแล้วการตัดสินใจของพี่ใหญ่ผู้สุขุมรอบครอบกว่าทุกคนถือเป็นข้อยุติอนุชาเงยหน้าขึ้นไปยังยอดเนินลักษณะเหมือนหลังเต่า อันขวางกันอยู่เบื้องหน้านั้นทันทีพร้อมกับยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณชา้าช้าทุกคนก็เริ่มเคลื่อนที่ไป่ทางขึ้นไปอย่างแช่มช้าท่ามกลางแสงมัวมนของย่ำสุนธยาทันใดนั้นนันอินผู้เดินนาอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักกึกกรงอย่างกะทันหันอนุชาผู้ตามมาในระยะห่างแค่สองเก้าหัวแต่ก้มหน้าเดินไม่ทันเห็นจึงชนปะทะเข้าโดยแรง ร้องอุทานเฮ้ยเบาๆแล้วจับตัวพรานครูผู้เท่าไว้ก่อนที่จะสวนเสียหลักไปด้วยกันเชีถาชายันและดารินที่จับกลุ่มมักใกล้ๆก็เลยชนกระแทก ร, รวนเรกันไปมานายดูนั่นเสียงอุทานของหนานอินดังไม่เกินกระสิบทุกคนแงนวูกขึ้น อย่างยอดเนินอันเป็นเป้าหมายที่กำลังจะบ่ายหน้ากันขึ้นไปแล้วจังนังปะลึงพึงเพลิดไปชั่วขณะจิตเมื่อแลเห็นสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาโดยแสงขมุกขมัวอันยังพอจะเหลืออยู่บ้างนั้นจะว่าตาฝาดก็ใช่ที่เพราะเห็นพร้อมกันหมดทุกคนแม้กระทั่งพวกลูกหากซึ่งบัดนี้พากันพังงะหลังกรูดลงไปอย่างลืมตัว บนแนวเนินอันมองเห็นอยู่ใกล้ๆห่างแค่ไม่เกินหกเจ็ดสิบเมตรที่ทุกคนกำลังไต่ทางลาดเทประมาณสาสิบองศาขึ้นไปนั้นบัดนี้เงาอันตะคุ่มลี้ลับของอะไรชนิดหนึ่งยืนดักเรียงรายอยู่เป็นแนวหน้ากระดานเว้นช่วงห่างกันรา 2, วสองสามว่าตอนหนึ่งจุดสะพรุกเต็มไปหมดทั้งขอบเนินบริเวณ น, นั้น รากับทหารมาตั้งแถวคอยดักหน้าอยู่สักหนึ่งกองร้อยฉะนั้นความมัวมนของบรรยากาศใกล้คำ่ำแม้จะทำให้ไม่อาจเห็นได้ถนัดในแต่ละร่างในระยะขนาดนี้แต่ทุกสายตาก็บอกได้ทันทีจากลักษณะที่ยืนด้วยสองตีนลำตัวตั้งตรงตลอดจนส่วนสัตว์สันฐานมันไม่น่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นใดทั้งสิน้น นอกจากสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนคนเพียงแต่ว่าแต่ละร่างเหล่านั้นสูงทระ ง, งานใหญ่โตอย่างต่ำๆก็หกฟุตขึ้นไปทั้งสิ่งมันผุดโผล่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครทราบคะนนจากระยะเวลาก็ไม่ควรเกินสองสามอึดใจนี่เองเพราะเมื่อครู่นี้มองขึ้นไปก็ยังว่างเปล่าไม่เห็นอะไรสัก แต่เดี๋ยวนี้มันมาปรากฏกายยืนคล้ายจะรอรับอยู่แล้วทุกร่างสงบนิ่งดุดเสาหินที่ปักโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างใดขึ้นเมื่อไรแต่สภาพที่เห็นนี้ตั้งแถวขวางหน้ากันเนินที่มุ่งหน้ากันขึ้นไปเห็นอยู่เป็นแนวราวกับรัว้วปริบตาแรกที่ทุกคนเงยขึ้นไปพบนั้น เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนป่าชาวดอยเผาดูร้ายไม่เป็นมิตรประเภทเดียวกับเผาสางเขียวเช่นที่เคยเผชิญกันมาแล้วในอดีตแต่ลักษณะอาการที่ผิดประหลาดคือปากตัวเองนิ่งสงบดุดหินทุกคนก็บอกได้ทันทีว่านั่นหาใช่มนุษย์ปูทุชนไหมแม้ว่ามันจะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ก็ตามฝ่ายหนึง่ง กำลังไตเนินขึ้นไปอีกฝ่ายหนึ่งโลขึ้นมาเรียงแถวหน้ากระดานดักอยู่อย่างชนิดไม่เปิดโอกาสให้รู้ล่วงหน้ามา ก, ก่อนเลยแต่ในสภาพที่ไม่ใช่มิดซึ่งจะเชื้อเชิญต้อนรับแน่ปริมาณของมันมากซสียจนสุดที่จะนับได้ในการตะลึงแลอย่างผาดผาดแบบเงยวูบก็เห็นอย่างปัจจุบันทันด่วนมันทาให้แทบ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 ไม่ต้องไปให้ถึงสุสานนิทรานครหรอกเขาแห่กันมารอรับเราอยู่ที่นี่แล้วพี่ใหญ่ของคณะผ่านประโยคนั้นออกมาจากริมฝีปากที่ขยับซึ่งดังไม่เกินกระสิกทุกคนเห็นเหมือนอย่างที่ผมกับลุงอินเห็นใช่ไหมครับเสียงแหบต่ำของอนุชาดังขึ้นเบาๆโดยไม่ได้หันกลับมายังพักพวกเลยนอกจากจะจ้องพิจารณาอยู่เช่นนั้น ทีแรกฉันว่าตาคงฝาดไปแต่นี่ไม่ใช่ตาฝาดใช่แล้วจะเอาอยัางไงกันดีลักษณะมันดูท่าจะขวางทางไม่ยอมให้เราขึ้นไปบนนั้นจากการที่มายืนเรียงดาหน้าอยู่แบบนี้ไอ้ตัวพวกนี้แหละฉันสาบานได้ว่าฉันเคยเห็นมันแล้วนับไม่ถ้วนพร้อมกับเมในสูสานใต้ภูเขาที่เข้าไปติดอยู่ในคราวนั้นแต่ตายเถอะ นี่มันยกกันมาเป็นกองทัพเลยทุกร่างบนนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ในสภาพเดิมด้านล่างลงไปพวกลูกหาบที่กำลังรวนเรกันอยู่หยุดรวมตัวกันได้แล้วเพราะขยินซึ่งตามปกติแล้วเป็นคนขลาดในเรื่องผีที่สุดแต่บัดนี้เมื่อรวมกลุ่มอยู่กับฝ่ายในเจ้านาย ซึ่งมีสติและประสาทมั่นคงกันหมดทุกคนพรอยทำให้มันเกิดความเชื่อมั่นและกล้าหาญผิดไปจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลังมือทำหน้าที่สกัดกั้นต้อนลูกหาบให้รวมหมู่กันไว้โดยไม่ ใ, ใครเพ่นตเตลิดลงไปซะก่อนพร้อมกับร้องบอกขึ้นด้วยเสียงห่าของมันว่าไม่ต้องห่วงทางด้านนี้นะนายเอาไงเอากันข ย, ยินกับพวกนี้พร้อมเสมอ และอยู่ใกล้ๆนี่เงไม่ได้เพนไปไหนนั้นอินยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วเบิกโลงจ้องดูอีกครั้งเพื่อแน่ใจที่สุดพึรรมพำออกมากว่าพวกมันมากเหลือเกินถ้าตะลุมบอน ถ, ถึงตัวกันขึ้นเมื่อไหรเราลำบากแน่ท่าทางมันดูจะต้องการกันไม่ให้เราขึ้นไปบนนั้นเท่านั้น จะถอยหรือจะเดินหน้าขึ้นไปนานอินขอใหนายใหญ่สั่งเลือกเอาสักอย่างเพราะระยะยังห่างพอที่เราจะขยับขยายได้แล้วลุงอินว่ายังไงละ่ะเชษฐายัางความเห็นถ้าจะให้บุกขึ้นนานอินบุกขึ้นได้แต่คนอื่นนันนนอินไม่กล้ารับรองเพราะลูกเบินเราคงหยุดมันไม่ได้แน่ แล้วถ้าถอยล่ะเราจะไปพักหลบอยู่ที่ไหนเพราะชัยภูมิข้างล่างไม่อำนวยเลยหากมันยกขบวนเดินตามลงมาแต่ถ้าขึ้นไปก็อาจจะกลายเป็นศึกใหญ่ตะลุมบอลประชิด ต, ตัวเหมือนสมัยที่เราประจัญกับพวกมันมาแล้วที่ปราสาท พ, พันธุมวดีครั้งนั้นคนที่ตายไปแล้วหมืน่นมื่นปีเราไม่สามารถที่จะฆ่ามันให้ตายซ้ำลงไปได้อีกด้วยอาวุธธรรมดาสามัญของเราหรอก พี่ชายใหญ่ของคณะกล่าวแผ่วเบาปราสาทขมิงเกลียวเครียดแท่ระเบิดประเดี๋ยวก็รู้ครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราในรูปไหนแต่สำหรับผมตอนนี้ขอล่อมันด้วยเอ็มเจ็ดเก้าดก่อนนะอนุชาคำรามออกมาแล้วก็ร้องตะโกนบอกขยินลงไปเพื่อนำเครื่องยิงระเบิดซึ่งตลอดระยะเวลาเดินทางของวันนี้ได้พวกลูกหา นำออกมาเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาแล้วในห่อสัมภาระส่วนกลางพอขยินนำขึ้นมาให้อย่างเร่งด่วนอดีตพรานชดก็บิดหางเกลียวหักลากล้องลงบรรจุกระสุนซึ่งที่แท้ก็คือระเบิดสังหารขนาด40ม ม, มลงในรังเพลิงแต่ขนาดนั้นเองพรานเท่าคู่มือก็จับข้อมือไว้ยาในชดเรื่องลูกปืนเปล่า ถ้าเป็นคนหรือสัตว์ธรรมดามันก็พอจะรู้ดำรู้แดงอยู่บ้างหรอกแต่ศพตายซากนะมันไม่เจ็บไม่ตายซ้ำอีกแรงระเบิดอาจจะทำให้สองสามตัวนะขาดวิ่งถ้าโดนอย่างจังแล้วมันก็ลุกขึ้นมาได้อีกส่วนไอ้ตัวอื่นๆที่เหลือก็จะพากันยกขยงเดินถือลงมาทางด้านหลังเราลงไปเนี่ยเป็นทางคับขันมีเหวเต็มไปหมดถ้าวิ่งลง ก็มีหวังตกเหวกันบ้างแน่แนอนุชาชงักแล้วลุงใจทำยังไงเรากับพวกมันยืนประจันหน้ากันอยู่แค่นี้เองเวลามันก็มืดค่ำลงทุกทีแล้วนะลุงคำพูดโตตอบปรึกษาหารือกันเหล่านี้แม้จะรีบด่วนฉับพลันเช่นไรมันก็ใช้เวลาไม่น้อยกว่าสองสามนาทีระหว่างที่หยุดยืนชงักกันอยู่เจ้าอมนุษย์บริวารของมันไรเหล่านั้น ก็ยังไม่มีท่าทีอย่างอื่นใดมากไปกว่ายืนระงานเป็นหลักร้วขวางกั้นหน้าไวเหมือนเมื่อแรกที่เงยขึ้นไปพบแสดงอาการชัดเป็นสองนัยยะคือมันจะไม่เคลื่อนลงมาหาฝ่ายคณะเดินทางเท่าเท่ากับที่ไม่ยอมถอนกำลังออกไปจากขอบเนินตำแหน่งที่จะผ่านขึ้นนั่นเป็นการประกาศลองดีลองของกันอย่างแจ่มชัด ขอให้นานอินลองดูอีกสักครั้งแต่ก็ไม่กล้ารับรองว่าครูบาอาจารย์ของนานอินที่สั่งสอนครอบวิชามาให้จะสู้ฤทธิ์เดชมันได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่พวกปีศาจ ร, ราชครืธรรมดาทั่วๆไปครูพรานผู้เฒ่าบอกกับทุกคนและจับไรเฟิลประจำตัวแกขึ้นเหนือสีสักโอมอ่านไร้อาคมเท่าที่แกจะมีอยู่ในตัว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 กกระหึมไปทั้งเนินเป็นคลื่นเสียงเหมือนฟ้าร้องแววไปไกลฟังดูผิดไปจากเสียงกระสุนระเบิดธรรมดาแล้วแกก็ยืนหน้าซี่ตัวแข็งกังงวานเสียงปืนหมดไปแล้วไอ้พวกผีดิบเหล่านั้นยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมของมันโดยไม่มีอาการสะดุ้งสะเทือนขยับขยืน่นใดๆทั้งสิ้น อาคงของนานินคงมันไม่ลงเจ้าทานออกมาเร็วหรือถ้าเป็นเจ้าบลาเจ้าเขาพูดวิศายักมานธรรมดาปลานี่ก็แผ่นกระจายไปหมดแล้วตอนนี้มันไม่ขยับขยื่นเลยในายใหญ่จะสั่งการยังไงก็สั่งเถอะลําพังนานินเอามันไม่อยู่แล้วน้าเสียงของแกเตม็มไปด้วยอาการละล่ำละละักบัดนั้นเองชายันก็ก้าวพรวดขึ้นมาชิดอนุชา กระชากเอ็มเจ็ดเก้าจากมือไปทันทีหากตามกลับคืนเข้าที่บล็อกเซฟแล้วยกขึ้นประทับไหลโดยไม่พูดคำใดทั้งสิน้นแล้วก่อนที่ใครจะทัดทานอย่างไรอดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องออกมาด้วยเสียงหนักๆว่าทุกคนนั่งลงเตรียมลบสักกัดทั้งหมดใจหายว่าเมื่อเห็นอาการของชา ย, ยันเช่นนั้น ตกใจเรื่องไอ้ผีดิบยกพลมายืนขวางหน้าอยู่ก็พอดูแล้วยังมาตกใจกับการตัดสินใจอย่างฉับพลันของชัยยันเข้าอีกเพราะระยะระหว่างกลุ่มอมนุษย์เหล่านั้นกับฝ่ายของพวกตนแม้จะดูว่าห่างในด้านทางหนีที่ไล่พอสมควรก็ตามแต่มันไม่ห่างออกไปเลยสำหรับรัศมีสกเก็ตของระเบิดขนาด40มมทุกคนย่อนตัวหวบลงทันที ชา ย, ยังก็ลั่นไกลในฉาพลเหมือนกันเสยียงปะแล้วก็ครื้นส น, นันวันไหวราวกับฟ้าผ่าไปตามมาเขายิงในแนวตรงเข้าไปอย่างกลุ่มที่ยืนเรียงดักอยู่เบื้องหน้านั้นโดยตั้งศูนย์ไว้ในระดับแนวราบไม่ต้องให้วิถีกระสุนหย่อนโค้งลงเลยเนื่องจากระยะไม่ไกลนักประกายไฟแลบสว่างแดงฉาน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 และสิ่งที่ตามติดมาทำให้ทุกคนต้องเพนขึ้นมาอย่างชนิดละลาละลงังแทบจะทำอะไรไม่ถูกเมื่อเสียงหนานอินโวยสุดเสียงว่านั่นๆๆ น, นั น, น, น, นพวกมันแหกันลงมาแล้วจริงอย่างที่หนานอินโวยวายทุกอย่างไอ้ที่กระเด็นล้มไปเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ที่เคยยืนปักหลักนิ่บัตรนี้มันเริ่มเคลื่อนไหวเดินทื่อลงมาแล้ว แม้จะเป็นการเคลื่อนลงมาอย่างช้าๆก็ตามมันหมายถึงเคลื่อนพลประดังบ่ายหน้าเข้าใส่กลุ่ ม, มนุษย์นั่นเองไรเฟิลและลูกซองทุกกระบอกถูกยกขึ้นประทับหลจับจ้องไปยังซ่าที่เดินได้เหล่านั้นในพริบตาในขณะที่ชัยยันหักลงกล้องดีปลอกเอ็เจ็ด้าที่ยิงแล้วกระเด็นหวือออกบรรจุนัดใหม่เข้าแทนที่ ตอนที่ปืนทุกระบอกจะแผดระงมขึ้นเชษฐาก็ร้องห้ามเต็มเสียงเท่าที่มีอยู่ยุดใครจะเพิ่งยิงไปนั้นขาดมันเดินถึอใกล้ลงมาทุกทีแล้วนะพี่ใหญ่ด้ารินเต้นรา้าวแทบจะคุมสติไว้ไม่ได้พี่ชายใหญ่ปราดเข้าประชิดตัวไว้จับแขนนนะ่นพูดเร็วปรือน้อยวควบคุมสติไว้ดี พระมาหาคาถาชินะบัญชนน้องน้ยท่องได้หมดหรือเปล่าจำได้ทุกวักทุกตอนไหมดารินพยักหน้ากลั้มกลืนอะไรบางสิ่งบางอย่างลงลำคอหน้าซีดเผือดยางขวัญเสียแต่ก็พยายามข่มบังคับให้สติกลับคืนมาโดยเร็วเพราะฝ่ามือหนักๆของพี่ชายใหญ่ตบโครมลงมากลางหลังพร้อมตะกนกรอกหูลั่นท่องภาวนาไปตั้งแต่ต้นจนจบ ยายคาตกบกพร่องไปเลยแม้แต่วักเดียวภาวนาเร็วเข้าตั้งสตให้มัน่นไม่มีใครท่องพระมาหาคาถาบทนี้ได้ครบหมดทุกวัดเท่าน้อยพี่เองจะช่วยอีกแรงหนึ่งอัญเชอหลวงวัดทวดด้วยทุกคนอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องยิงปืนประโยคหลังเขาร้องสั่งไปยังพักพวกทั้งหมดทุกคนกลั้นใจประทับปืนค้าง ใจสันระทึกแม้แต่อนุชาและหนานอินเองบัดนี้ก็แทบจะใส่ติ้นสุนักก้อยแนบลงมาจากเนินดารินสุดตัวลงคุกเขา่าวางปืนลงมือทั้งสองพนมขึ้นเหนือสวงอกสมาธิตั้งมัน่นชยาสนากตาพุทธา เพียงประโยคแรกที่ลอนภาวนาอยู่ในใจเท่านั้นบรรดาเหล่าอาสุรกายหมื่นปีอันปรากฏกายเคลื่อนไหวตรงทื่อลงมาด้วยกิริยามนมหาอุบาทของจอมผีดิบมันไกรก็หยุดชงะงักกึกลงอย่างปัจจุบันทันด่วนทันทีราวกับทุกาตากนที่หมดลานหรือหมดกระแสะคลื่นวิทยุบังคับโดยกระทันหันหินประจักษ์ชัดกับทุกสายตาที่เบิกแทบจะถลน ด้วยความหวาดกลัวอยู่ในขณะนี้เชษาเองก็กลงคุกเข่าพนมมือภาวนาอะไรของเขาอยู่เช่นกันเชตวามารังสวานะนวร์คที่สองไอ้ผีดิบเริ่มเคลื่อนอีกครั้งแต่คราวนี้ก้าวขาเดินถอยหลังขึ้นเนินครั้งแรกก็เป็นการถอยช้าๆก่อน แต่เมื่อลอนภาวนาต่อไปพวกมันก็เริ่มถอยเร็วขึ้นเป็นลำดับและแล้วก็กลายเป็นเพนกระเจิดกระเจิง อ, อย่างตลีตลานเสียงพักพวกที่สงบนิ่งอยู่เริ่มไหวตัวแต่เชษฐาร้องห้ามเบาๆให้ทุกคนสงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมแล้วสั่งให้ดารินภาวนาต่อไปจนกว่าจะจบบทของพระมหามงคลลคาถาอันยาวเหยียดนั้น ท่ามกลางการเพ่งยังลลนลานของเหล่าอามนุษย์อันเป็นเรื่องที่ดูแล้วอัศจรรย์ยิ่งในสายตาของพวกลูกหาบขยินและแม้แต่นันอินเองซึ่งร่ำเรียนมาในทางสยเวษเดราชานวิชามากกว่าทางพระพุทธคุณดารินสำรวมสมาธิตนเองแนวนิ่งอยู่เหมือนเดิมจิตเพ่งระลึกถึงอัตคาถาเป็นข้อความบาลีนั้นจนมาถึงหัวข้อที่สสอง อากาเสฉะทนังอาศิเสสาปาการสันทิตาทินานาพลสัมยุตาตาสตับปาการลังกัตาเพดานกั้นมานอากาศให้ปรลาดกเกษมสารอีกให้เป็นปราการกำแพงแก้ว ำจัดภัยกำแพงแก้วเจ็ดชั้นดำรงมั่นเดโชชัยพระชินราชประสาทให้เป็นเกราะใหญ่คุ้มครองตนด้วยเดชพระชินสีเรื่องฤทธีมากเหลือลน้นขจัดภัยทุกแห่งหนทั้งวิบัติ อุปัฏาวาครบหมดสิ่งจนถึงบทสุดท้ายอันมีข้อความว่าสังทานพาเวนะชิตันตราย ον. สัตถมานุพาเวนะปาลิโตจราหชิตนะปัญชเรติบัตรนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบคาบลงเหมือนเดิมไม่มีวีแววหลงเหลืออยู่อีกเลยเมื่อไม่เกินห้าหกนาทีที่แล้วมาคณะทั้งหมดกําลังเผชิญหน้าอยู่กับกองทัพไอ้ผีตายซากของมันไรที่กําลังเคลื่อนพลลงมาจากเนินตรงเข้าหาอย่างหน้าหวาดสยองที่สุดแม้แต่ไอ้ซากสามสี่ตัวที่ล้มระเนระนาดอยู่ ด้วยอำนาจของ M79 ที่ชัยยันซัดขึ้นไปบัดนี้ก็ยังตะเกียดตะกายลุกขึ้นมาอย่างลนลานกระเสือกกระสนคลานพาร่างอันขาดรุ่งริ่งหนีรับหายไปจากสายตาของฝ่ายที่ติดอยู่กลางเนินจนหมดสิน้นทุกคนจุดใต้ถือไว้ในมือคนละอันล้วเดินขึ้นเดี๋ยวนี้ เชืถาตะโกนขึ้นสนันวันไหวด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นมั่นคงที่สุดตบไหลน้องสาวที่นั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ให้ยืนขึ้นแขนข้างหนึง่งโอบกอดไว้แน่นอีกข้างหนึง่งโบกเป็นสัญญาณกระพักพวกให้บุกลุยขึ้นไปยึดเนินศักดำทันทีเสียงโห่ร้องก็แซ่อึง้งขึ้นในหมู่บรรดาลูกหาบทั้งหลาย ทุกคนกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีปรีดาขีดสุดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่โดยคำสั่งของเชษฐาใต้ถูกนำออกมาแจกจ่ายกันครบมือทุกคนทันทีและจุดติดลุกเป็นเปลวขึ้นเหมือนคบเพลิงเพราะถึงแม้ว่าไอ้ผีตายซากพวกนั้นจะพากันเพ่นขึ้นเนินรับสายตาไปแล้วก็ตามอย่างน้อยที่สุดประกายไฟหรือพระเพลิงก็ย่อมจะศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพเสมอ ไม่ว่าจะสัตว์โลกหรือแม้แต่สัตว์ในอบายภูมิทุกชนิดการที่ทุกคนมีมีใต้ติดเปลวไฟไว้ในมือย่อมเป็นหลักประกันได้อีกขั้นหนึ่งถ้าหากว่าพวกมันจะแอบซุ่มอยู่ตาหมูโคถินบนเนินแห่งนั้นเพื่อคอยบุกเข้าประชิด ต, ตัวในระยะใกล้ซึ่งในกรณีดังกล่าวเปลวไฟที่ลุกโชดอยู่กระท่อนใต้ก็ย่อมจะแย่ล้นให้มันพังหงัออกไปได้ นุชาและหนานอินนําหน้าขึ้นไปก่อนตามเคยชยันเฉถาและดารินเกาะมูตามขึ้นไปช้าๆด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกชยันนั้นพึพรรมพำอยู่ตลอดเวลาว่าประหลาดประหลาดที่สุดพร้อมกับจ้องมองหน้าดารินซึ่งหลอนเองก็ตกอยู่ในภาวะเดียวกับเขาแม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะปรากฏชัดอยู่กับตา เพราะว่าตัวเองก็ไม่ไวายที่จะพิศวงงงงวยเชิดถาคนเดียวเท่านั้นที่ยิ้มออกมาได้อย่างเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและปีติใจในชัยชนะที่มองเห็นอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกในการประจันหน้ากับมนมืดอันเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ร้ายซึ่งเกิดขึ้นด้วยอาถรรพ์ระเวทของอมนุษย์มันไรระหว่างที่เดินขึ้นไปด้วยกันเขาโอบแขนน้องสาวไว้แน่น าก็ตอบข้อพิศวง์ของชายันว่าก็ไม่ประหลาดอะไรหรอกชายันต่อไปนี้ก็ขอให้เชื่อเถอะว่าต่อให้พวกมันมีฤทธิ์เดชสักแค่ไหนก็ยากนักที่จะทำอะไรเราได้พระมหาคาถาชินบัญชรสกัดกั้นกำราบมันได้มันไรไม่ได้มีฤทธิ์วิเศษเหนือไปกว่าพระอรหันต์แปสิบพระองค์ที่น้อยสวดภาวนาอัญเชิญลงมาเป็นตาขายเพชร คุ้มครองปกป้องพวกเราไว้แล้วก็มีสภาพเหมือนไฟกรดขับไล่พวกมันให้ต้องเพ่นกระเจิงไปได้หรอกขอบคุณสวรรค์ที่น้อยจำอัฏฐคาถาอันยิ่งใหญ่ครอบจั ก, กรวาลบทยาวเยียดนี้ได้น้อยเองก็คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าคาถาบทนี้จะทำให้พวกมันที่แห่กันลงมาเป็นกองทัพจะเพ่นหนีกันไปได้หมด ดารินพูดด้วยเสียงที่ยังสั่นอยู่ด้วยความตื่นเต้นน้อยมีของดีวิเศษเป็นสิ่งมหามงคลอยู่กับตัวแล้วแต่บางขณะก็ลืมไม่รู้จักจะนำขึ้นมาใช้เพราะมัวแต่ตะลึงตกใจอยู่ะเชษฐากล่าวปนหัวเราะอย่างปลอบใจพี่รู้ว่าสารพัดวิชาประดามีอยู่ในตัวของระพินน่ะเขาถ่ายทอดให้แกน้อยไว้ทั้งหมด ในการเดินป่าคลุกครีประจนภัยอยู่ด้วยกันในครั้งนั้นเมื่อมีครูหรืออาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่ภัยจะมาถึงตัวก็คิดถึงครูสิแล้วก็จะต้องนึกได้เองว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดควรจะแก้ไขเช่นไรกับพี่ชยันหรือคนอื่นๆกระพินไม่เคยถ่ายทอดอะไรไว้ให้เลยในเรื่องเวทมนต์คาถาแก้มนต์มายามืดแบบนี้ สอนให้ก็แต่เฉพาะวิชาเดินตาอย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับน้อยเนะีะเขาครอบไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เหรอประโยคหลังเหมือนจะเป็นการย้อนถามน้องสาวดาริงตัดเริมฝีปากทบทวนเหตุการณ์ในอดีตระหว่างหลอนกระจอมพรานผู้นั้นเขาก็สอนอะไรต่ออะไรน้อยไว้หลายอย่างละคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาถาอาคมและบทจวดมน แต่น้อยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายทอดให้น้อยไว้หมดทุกอย่างหรือเปล่าสำหรับมหาคาถาชินบัญชรเขาเคยกำชับไว้นักหนาให้สวดภาวานาเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่น้อยจำได้ก็เพราะเห็นว่าเป็นคาถาบทที่ยาวที่สุดท้าทายต่อความพยายามมากก็เลยหมั่นท่องจนคล่องขึ้นใจแล้วก็ไม่ได้ใช่อีกเลยเวลาจะนอนก็ไม่เคยสวดภาวานาอย่างที่เขาสั่งไว เพราะมีความรู้สึกขัดแย้งว่าตัวเขาเองน่ะเป็นพรานป่าข่าสัตว์ตัดชีวิตมามากจะมาสอนบทสวดมนต์ให้น้อยมันก็ดูกระไรอยู่ที่ท่องจนจำก็เพื่อจะเอาชนะเขาเท่านั้นว่าหากจำเป็นจริงๆน้อยก็ท่องบทสวดมนต์นี้ได้เหมือนกันสารภาพตามตรงนะคะว่าครั้งแรกก็ลืมไปหมดคิดอะไรไม่ออกเลยขณะที่เห็นไอ้ผีนรกพวกนั้นพากันเดินลงมา แต่พอพี่ใหญ่เตือนขึ้นมาเท่านั้นน้อยจึงสำรวมจิตภาวนาไม่นึกเลยนะคะว่าอำนาจของพระมหาคาถาบทนี้จะเป็นเกราะคุ้มภัยที่ประเสริฐถึงเพียงนี้มหัศ จ, จรรย์จริงๆอย่างชา ย, ยันว่านั่นแหละ <c oughs> นี่มันพิสูจน์ชัดแล้วนะน้อยว่าครูพานของเธอน่ะมือเหนือชั้นกว่าครูพรานของหนานอินสะอีกชา ย, ยันบอกมาอย่างยินดี รายนั้นน่ะเก่งแต่ทางอาคมกับเดรฉานวิชาเท่านั้นทางด้านอำนาจพระพุทธคุณแล้วแกไม่ได้ความเาเลยและลำพังอาคมกับเดรฉานวิชานะมันไปต่อต้านกับกริยามนมหาอุบาทของมันไตรไม่ได้หรอกลำพังเธอคงปลอดภัยแน่นอนเพราะท่องชินาบัญชรได้หมดเป็พวกชั้นสิท่องกันไม่ได้เลยถ้าอยู่ห่างจากเธอหรือมีการต้องพลัดพรากแตแกแยกกันออกไปเมื่อไหร่ ถูกมันจูเขาเล่นงานนะ่ะคงแย่ทีเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอหรือพวกเราคนใดต้องการประเดี๋ยวขึ้นไปหาที่พักบนนั้นได้แล้วฉันจะจบให้แล้วก็พยายามท่องให้จำกันไว้ก็ได้ก็แล้วกันแต่บอกก่อนนะยาวมากนะตั้งสิบหกบทหกสิบแปดวร์นะเป็นบาลีล้วนๆเออจะสิบหกบทหกสิบแปดวร์หรือกี่สิ บ, บทกี่ร้อยวรกก็เอาทั้งนั้นแหละ ตอนนี้นอกจากระสุนปืนแล้วพวกเราต้องพึ่งพระพุทธคุณอรารหันเจ้าด้วยแล้วไม่งั้นมันเอาเราตายชัยยันว่าอนุชาและนานอินเหยียบขึ้นถึงยอดเนินแกว้งใต้อยู่ไปมาพร้อมทั้งใช้ไฟฉายเดินปา่าส่องไปรอบๆพบว่าเป็นที่โปรงโล่งและชัยภูมิเหมาะอย่างยิ่งชั่วไม่กี่อึดใจเชธาชัยยัน ดารินและพวกลูกหาบทั้งหมดก็ตามขึ้นมาถึงโดยพร้อมเพรียงกันไม่มีวี่แววว่าไอ้พวกผีดิบจากสุสานนิทรานครตนใดจะปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่ตนเดียวแสดงว่าวันพระจากบริเวณยอดเนินนั้นไปหมดแล้วอย่างตลีตะลานและไม่น่าจะเหลือซุ่มซ่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อคิดร้ายใดใดอีกอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง อากาศบนนั้นเริ่มจะมืดสนิทลงแล้วห่างแค่สองสามว่าก็เป็นเงาตะคุ่มไปหมดแต่ใต้ที่ติดไฟลุกพร้าวอยู่ทั้งสิบหกอันประกอบด้วยลำไฟฉายที่ช่วยกันซองกราดสำรวจทำให้อาณาบริเวณรอบด้านปราศจากแง่มุมใดที่ลี้ลับว่ายังไงลุงอินคิดว่ามันจะแอบแอบซ่อนๆดักเล่นงานเราบนเนินนี้อีก ม, กมั่งไม ทยันถามพรานครูผู้เฒ่าแก่กราบไฟฉายไปทางด้านเนื้อของเนินที่เต็มไปด้วยต้นสักใหญ่หัวร่อฮือฮือหนานอินเห็นพวกมันเพ็นกันยังกระถูกไฟลวกไม่รู้เจออะไรดีของนายหญิงเขาถึงได้แหลนกันตาแตกไปยังงั้นรับรองว่าไม่มีเหลื อ, อยวยเห็นอีกหรอกแม้แต่ไอ้สองสามตัวที่นายทาหารยิงด้วยระเบิดตัวขาดรุ่งริง่ง ก็ตะกายหนีไปด้วยและแกก็หันมาทางดารินมองอย่างเลื่อมใสบอกเสียงอย่อยยว่านายหญิงนายหญิงน่ะเก่งกว่านานอินซะอีกนานอินน่ะแถบไม่เชื่อตาราชสกุลสาวถอนใจยาวบัดนี้หล่อนรู้สึกปลอดโปรง่งมีกำลังใจขวัญดีขึ้นมากฉันไม่ได้เก่งไปกว่าลุงอินหรอก แต่บังเอิญฉันมีของประเสริฐที่ครูของฉันให้ไว้แกทำหนาง ง, งเพราะคิดไปไม่ถึงนายหญิงน่ะเป็นคนสมัยใหม่เป็นหมอครูของนายหญิงเป็นฝรั่งหัวแดงมันมีวิชาอาคมขับผีได้ด้วยเหรอหลอนหัวเราะฉันมีครูอยู่หลายประเภทลุงสุดแต่วิชาที่จะเรียนน่ะ ถ้าเรียนเป็นหมอก็พวกฝรั่งหัวแดงนะ่ะเป็นครูแต่ถ้าเรียนเป็นพรานป่าท่องไพรยอยู่แบบนี้ก็ครูหัวดําคร่ำคาถาอาคมเหมือนลุงอินนั่นแหละผิดกันแต่เขาเป็นคนหนุ่มเท่านั้นไม่ได้แก่เหมือนลุงหรอกฮะก็นายระพินแหละสิแกร้องออกมาก็จะใครที่ไหนสิอีกล่ะไม่งั้นฉันจะกล้ามาตามเขาเหรอหล่ อ, ลอนบอกอย่างมั่นใจยิ่งนั้นอินกะพริบตาปริบ ป, ปริบ ดูแกก็งงอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าายนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงไม่เก่งจริงไม่พาพวกเจ้านายไปตาม่าตัวพรานชดกนานอินกลับออกมาได้หรอกแต่น้นนี้นึกว่าแกสอนแค่วิธีเดินปา่าวิธียิงสัตว์ให้นายหญิงเท่านั้นไม่นึกนะว่าจะครอบให้ทุกอย่างแม่แต่สยเวทคาถาอาคม ถ้านายยิงทายทอดรับไว้ได้ทั้งหมดโอ้ยน้านอินก็จะสบายใจอีกมากทีเดียวนานอินยอมรับว่าสู่นายราพินไม่ได้หรอกแกเก่งทั้งวิชาของโลกที่สว่างแล้วและวิชาของโลกที่ยังมือดอยู่วิชาทั้งสองแบบเนี่ยมันยากที่จะมีอยู่ได้ในคนคนเดียวกันถ้างั้นลุงอินก็สบายใจได้แล้วล่ะ ถึงฉันจะถ่ายทอดจากเข้ามาได้ก็ไม่ถึงครึ่งหรอกแต่ถ้าเอามารวมกับของที่ลุงอินกับพรานชดมีอยู่เราก็พอจะหอบหิ้วกันไปได้รอดไม่ถึงก็เข้าตาจนหรอกลุงสำรวจค้นหาที่พักของพวกเราเถอะฉันคิดประคงจะอยู่แถวแถวนี้แหละนั้นอินไม่กล่าวอะไรอีกออกก้าวนำไปยังบริเวณใต้ศัก์ใหญ่ต้นหนึ่งทางด้านเหนือของเนินบริเวณนั้นอันเป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด มีหมูโคถิ่นขึ้นอยู่เป็นแนวล้อมรอบราวกับมีใครมาประดับไว้ทุกคนเคลื่อนตามหลังแกไปด้วยหลักฐานที่พบตรงบริเวณที่ราบโลง่งโคลนต้นศัก์บอกชัดมีรอยปักเสาขึงกระโจมรอยก่อกองไฟไว้หลายกองและเศษเครื่องกระป๋องที่กองรวมแอบซ่อนกันอยู่หลังหินก้อนหนึ่งชัดแจ๋วเลยพวกนั้นมาพักท่ารมขึ้นกันอยู่บนยอดศัญญกดาตรงนี้เอง อนุชาอุทานออกมาภายหลังจากตรวจบริเวณข้างเคียงรอบด้านเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่ามันควรจะเป็นชยภูมิที่ดีที่สุดแล้วเชษฐาก็ออกคำสั่งให้ปรงของยึดตำแหน่งพักที่เดียวกับคณะซึ่งล่วงหน้ามาก่อนแล้วเศษฟืนที่พากออกจากกันนำเข้ามาสุมเข้าไปใหม่ประกอบกับไม้แห้งบริเวณนั้นก็มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ไกลเหนื่อยแรง ช่วครู่เดียวกองไฟก็ถูกก่อขึ้นวางแคมป์ทันทีเชษฐาสั่งให้ขยินและพวกลูกหาบเข้ามานอนรวมกันอยู่ภายใต้วงล้อมของกองไฟที่ก่อไว้ทั้งสีด้านใกล้ใกล้กับที่พักนอนของพวกเขาโดยไม่แยกห่างออกไปเพราะยังไม่ไว้ใจต่อสถานการณ์ภายในคืนนี้ทุกคนกินอาหารคําเสร็จและดื่มกาแฟดารินผู้ตลอดเวลานั่งซึมอยู่กับความคิด ควาไรเฟิกรกับไฟฉายลุกขึ้นออกเดินตรวจบริเวณอีกครั้งโดยไม่กล่าวชวนใครทั้งสิ้นเชษถามไม่ต้องการจะทักท้วงขัดขวางความประสงค์ของน้องสาวเพระาะทราบถึงความกระวนกระวายใจของหล่อนดีจึงเพียงแต่พยักหน้าเป็นสัญญาณกับน้องชายกลางอนุชาจึงฉวยปืนประจำมือกับไฟฉายเดินตามหลังมาด้วยน้องสาวชำเลืองหลังนิดนึงเห็นพี่ชายกลางตามมาเงียบเงียบ ยังไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นคงใช้ไฟตรวจสอบดูบริเวณรอบๆที่วางแคมป์ไปเรื่อยๆแล้วมาหยุดอยู่ตรงหมูหินเตีย้ยๆบริเวณหนึ่งห่างจากตำแหน่งที่น่าจะสันนิษฐานได้ว่าคณะเจ้านายของระพินขึงเต็นนอนอยู่ประมาณส5บห้าเมตรหล่อนสองดูตามพื้นดินทางจุดบุรีสูบอัดควันหนักๆจะหาที่พักนอนของระพินใช่ไหม อนุชาถามขึ้นเบาๆอย่างรู้ใจธรรมชาตินิสัยของระพินไม่นอนรวมกลุ่มกับฝ่ายนายจ้างอยู่แล้วล่ะดารินเปลยขึ้นเบาๆทุกครั้งที่มีการวางแคมป์เขามักจะจับให้ฝ่ายเจ้านายของเขานอนอยู่ตรงกลางตัวเองและพวกพรานพื้นเมืองกระลูกหาบก็จะกระจายกันนอนขวางดักเป็นรั้วล้อมไว้กระสอบป่านหนึ่งผืนรองพื้น หรือบางทีก็ไม่มีเปหลังหนุนหัวผ้าหม่มผืนบางๆดำเป็นกี่เป็ดชนิดเดียวกับที่ลูกหาบของเขาใช้หรือบางทีก็ใช้กระสอบป่านั่นแหละคลุมหน้าอกพี่ชายถอนใจลึกเขามีความรู้สึกสมเพศน้องสาวอย่างแท้จริงนี่ถ้าก่อนหินพวกนี้มันพูดได้นะ มันก็คงจะตอบคําถามอะไรต่ออะไรที่น้อยอยากรู้มากไปกว่าที่เรารู้มานะใช่ระพินเป็นคนหน่าสงสารแต่คนที่น่าสงสารไปกว่านั้นคือน้อยในขณะนี้ดารินยิ้มซึมซึมก้มลงไปหยิบเศษกระดาษลักษณะเหมือนกระดาษแก้วหรือพลาสติกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่หล่นอยู่ข้างซอกหินตรงหน้าของหล่อนขึ้นมา ส่งให้พี่ชายดูโดยไม่พูดอะไรอนุชารับไปส่องไฟสำรวจยังไม่เข้าใจอะไรนะักอะไรแล้วทำไมเ่ะพลาสติกค่ะหุ่มยาระงับประสาทยี่ห้อเร็วๆราคาถูกๆค่ะคุณสมบัติของยาประเภทนี้ก็คือแก้ไข้แก้ปวดหัววงการแพทย์รุ่นใหม่เขาไม่ใช้กันแล้ว แต่รพินก็ยังอุตสาพวกติดตัวอยู่และในคืนที่มาพักนอนอยู่ที่นี่ตรงนี้เขาฉีกยาชนิดนี้กลืนเข้าไปสองเม็ดมันควรจะแปลว่าเขาปวดตะโลกและกลัดกลุ่มบางทีก็อาจจะนอนไม่หลับด้วยแต่ก็ไม่เข้าไปรบกวนขอยาที่ดีกว่านี้จากพวกนายจ้างเฮ้อน้อยลำบึงลำพันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพรุ่งนี้เราก็จะถึงห้วยสือรองแล้ว ทุกอย่างที่น้อยต้องการรู้มันรอยอยู่ที่หมู่บ้านสุดท้ายนั่นก่อนจะเข้านรกดังพี่กลางคะหึว่าไงในฐานะที่พี่กลางก็เป็นพรานเทียบเท่าเมืองชีพมาก่อนเป็นทั้งนักแกะรอยและนักสแสวงหาหลักฐานพอจะบอกน้อยได้ไหมคะว่าตรงจุดที่เรามาพบที่พักของพวกเขานี่ เขาล่วงหน้าไปแล้วกี่วันจากน้องน้ำแห้งอะนะเรารู้แน่ว่าประมาณแปดวันที่เราไล่หลังเข้ามาแต่ตรงจุดนี้พี่รู้สึกว่าเราจะไล่เขาโดยย่นระยะเข้ามาอย่างมากไม่เกินสีห้าวันเท่านั้นโดยวัดระยะทางเพราะทางด้านเขามืา่เสียเวลาพักอยู่เรื่อยๆนะแต่เราเดินตลอดโดยไม่เสียเวลาเลย ระยะทางมันจึงกระชั้นชิดเข้ามาอีกเกือบเท่าตัวทีเดียวแหละและพี่ชายกลางก็ส่งพลาสติกที่หุ้มยาเม็ดอันเป็นรอยถูกฉีกนั้นคืนให้น้องสาวดูนี่ดูจากรอยฉีกเปลือกหุ้มยาระงับประสาทนี่ดูเหมือนจะแค่วันสองวันนี่เองไม่ใช่เหรอรอยมันยังใหม่เหลือเกินนะพี่กลางคะคิดบ้างไหมคะ ว่ามันจะต้องมีเหตุผลสําคัญอะไรสักอย่างที่ทำให้ระพินนําพวกนั้นขึ้นมาพักที่ยอดเนินของศักดํำนี่น้อยไม่เชื่อนะว่าจะมาจากเหตุผลที่เราเดากันแต่แรกมาเป็นเพราะพวกเขามาถึงที่นี่ในเวลาค่ําจริงต้องหาที่นอนก่อนเพราะอย่างระพินน่ะถ้าจะนําในเวลากลางคืนเพื่อไปให้ถึงห้วยสือรองเลยทีเดียวโดยใช้เวลาอีกแค่สามสี่ชั่วโมง เขาก็น่าจะทำได้ก็ในเมื่อระยะทางมันใกล้แค่นี้เองทำไมทำไมเขาถึงต้องพักตรงนี้ก่อนให้เสียเวลาไปเปล่าเปล่าอนุชาเงียบไปครู่เขารู้ว่าน้องสาวมีวินิจฉัยที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเป็นพิเศษชนิดที่คนอื่นๆมักมองข้ามเสมอเฮ้ยสำหรับพี่คิดไม่ออกแล้วน้อยละ มีความคิดยังไงหล่อนรีตาลงฉายไฟอย่างปราศจากจุดหมายกราดไปในความมืดเบื้องหน้าพี่กลางคะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเต็มไปด้วยปริศนาที่จะต้องคิดทั้งนั้นแหละคะ่ะขณะที่ภูเขาถล่มตรงนั้นมีใครถูกกลบทั้งเป็นบ้างหรือเปล่าทุกคนปลอดภัยดีเหรอใครหายไปบ้างไหม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 สำคัญที่สุดก็คือตัวรพินผ่านมาได้ใช่ไหมข้อนี้น้อยยอมรับหรือเปล่าล่ะค่ะเฉพาะราพินกับกรเรียงอุปยพพวกนั้นผ่านมาได้แน่แต่พลานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คนนั่นแหละคะ่ะนายจ้างอันเป็นอเมริกันสองคู่แล้วก็นายทหารไทยที่เชิดบุตรนั่นอีกคนน่ะทั้งหมดได้มาถึงที่นี่หรือเปล่าครบจํานวนคนไหมใครขาดหายไปบ้าง เนื่ออะไรทำให้น้อยสงสัยยังงั้นล่ะดารินชูพลาสติกหุ้มยาชิ้นนั้นให้ดูอีกครั้งความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจจนระพินต้องระ ง, งับด้วยยานี่ยังไงล่ะคะนอกจากยาประเภทแก้มาลาเรียแล้วน้อยไม่เคยเห็นรพินกินยาประเภทนี้มาก่อนเลยแม้จะมีเตรียมไว้ก็ตามสมมติว่าถ้าเขาเกิดไม่สบายจะต้องพึ่งยาแก้ไข ก็น่าจะมียาดีๆของฝ่ายอเมริกันให้มาแต่นี้เขาแอบกินเองเป็นส่วนตัวโดยไม่บอกให้พวกนั้นรู้แอสไพรินยายุคพระเจ้าเหาที่น้อยเคยเห็นเขามักจะใส่ตลับยาถ่ายบุ๊กเล็ตเก่าๆติดตัวอยู่เสมอขาดเสียงพูดอย่างท้อแท้ของหล่อนทั้งสองก็สะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงช้างร้องแวกขึ้นมาจากตีเนินในเวลาสงัดเช่นนี้ เสียงของมันก้องกังวานเข้าไปถึงค้อหัวใจดารินและอนุชาหันขับลงไปทางด้านล่างของเนินในพริบตานั้นด้วยสัญชาตญาณไรเฟิลก็วูบขึ้นมาประทับบาประกบกับลำไฟฉายที่พุ่งจ้าลงไปพร้อมกันส่วนทางด้านเชษฐาและชัยยันก็นั่งพักผ่อนกันอยู่ต่างอุทานเฮ้ย hey แล้วก็ทลันลุกขึ้นมายืนยางฉับพลันชนปะทะ ก, กันชุนลมุน นานอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายก็ล้วนตกอยู่ในอาการเดียวกันเพราะต่างเคลื่อนไหวพึกแม้จะยังมองไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เสียงร้องกล้องของกทชสารที่อยู่ไม่อยู่ก็ดังขึ้นจากไปเนินแบบนั้นทำให้ทุกคนต้องไหวตัวอย่างปัจจุบันทันด่วนน้องสาวเล็กและพี่ชายกลางเป็นคู่ที่ยืนอยู่ชิดขอบเนินมากกว่าพักพวกคนอื่น และเป็นผู้ที่ส่องไฟฉายจ้องปืนลงไปจึงสามารถมองอะไรได้เห็นก่อนคนอื่นๆที่กําลังอยู่ในภาวะตื่นตัวขึ้นอีกครั้งจากขอบแสงของไฟฉายล่าสัตว์ณนะตําแหน่งพื้นราบเตียนตีนเนินที่ทุกคนพากันไต่ทางขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้นั่นเองเงาอันใหญ่โตของช้างตัวหนึง่งกําลังวิ่งไต่เนินขึ้นมาอย่างตะเกียกตะกาย อาการของมันเร่งด่วนอย่างที่สุดส่วนเบื้องหลังห่างไปไม่มากนักเจ้สาสัตว์โคตรพันชนิดเดียวกันขนาดตัวก็ไม่ยิ่งย้อนไปกว่ากันแต่มีจำนวนถึงสี่ตัวกําลังชูงวงไล่กวดหลังสภาพของมันยามนี้ก็คือเห็นอยู่ชัดชัดว่าสี่รุมไล่หนึ่งหมายจะถล่มกลุ่มรุมให้ได้ถ้าหากกวดทันซึ่งก็เกือบจะทันอยู่แล้วยังบุดวิดบุดวิดระหว่างฝ่ายนี กับฝ่ายไล่กวดที่มีจำนวนมากกว่ามันคงจะมีการหนีและไล่กันมาจากทางด้านด่านซีขวามือที่อ้อมเนินลูกนี้นั่นเองเจ้าด้วนดารินตะโกนเสียงหลงเมื่อมองเห็นสภาพการเช่นนั้นอนุชาเนียวไกลจุดสี่ห้าแปดของเขาแล้วเสียงเปรี้ยงสนันในยามวิกาลเช่นนี้ ของมันสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องดีแท้เขาไม่มามัวสนใจร้องเรียกหาเจ้าด้วนอยู่แต่โดยสัญชาตญาณพรานแยกถูกว่าเป้าหมายกระสุนของเขาควรจะส่งไปยังที่ใดสีดอ ง, งากุดและขนาดใหญ่เหลือกำลังตัวที่กำลังวิ่งเอางวงไล่ไขคว้ามาทางด้านหลังของเจ้าตัวที่เล่นไตเนินขึ้นอย่างจวนเจียนโดนเข้าอย่างจัง อาการของมันเหมือนถูกขวานยักษ์จามลงมากลางกระบาะลถล่มหวบลงทั้งสี่ขาเอาท้องกระแทกพื้นเนินแล้วครูถอยลงไปตามแนวลาดนั้นสามสี่วาฝุ่นฟุ้งไปหมดเสียงปืนยิ่งทำให้พรรคพวกทุกคนใจหายแล้ววิ่งพรูกันเข้ามาในทันใดสวนดารินเต้นอยู่เรา่าเราลอนประทับปืนก็จริงแต่ไม่ได้ลั่นไกล เพราะมวัวแต่ตกใจที่เห็นเจ้าด้วนถูกขับไล่แล่นเลิดขึ้นมาได้แต่ร้องเรียกชื่อมันแล้วแพรตะโกนแทบไม่เป็นภาษาให้พี่ชายกลางระวังจะยิงไปถูกมันเข้าอดีตพรานชดไม่ฟังเสียงใครหรือสนใจกับอะไรอีกทั้งสิน้นหน้าที่ของเขายามนี้ก็คือทันทีที่นัดแรกลั่นตูมออกไปก็ตุก้านลูกเลื่อนขึ้นกระชากสลัดบลอกที่ยิงแล้วกระเด็นแผลออกไป แล้วตบลูกเลื่อนทรงกระสุนนัดที่สองในแมกกาซินเข้ารังเพลิงอีกรวดเร็วที่สุดวาดลากล้องที่สมัดเงยขึ้นไปเพราะอำนาจแรงสะท้อนกดต่ำลงมายังอีกตัวหนึ่งที่หยุดชะงักมีอาการแวงตัวจะเล่นกลับลงจากเนินเขาต่อโครมเข้าไปอีกในบัตรดนินแนวกระสุนทะลวงเข้าบกหือเพราะมันเบี่ยงบ่ายหัว ภาพของการยิงแบบเฉียบขาดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในทุกสายตาที่วิ่งเข้ามาถึงและช่วยกันฉายไฟไอตัวที่สองซึ่งเป็นช้างงาล้มตะแคงทั้งยืนเหมือนถูกผนินเหล็กตบฟาดเข้าที่ศีรษะด้านข้างแล้วพลิกท้องกลิ้งช้างใหญ่ถูกปืนถึงขนาดกลิ้งหงายท้องไปสองตลบนั่นเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากที่สุด แต่ภาพที่เกิดขึ้นในขณะ น, นี้อันเนื่องมาจากภูมิประเทศช่วยเพราะมันเป็นเนินชันอยู่ก่อนแล้วเมื่อถูกแรงประทะขนาดสองตันเศษทิมเข้ามาตรงกอกหูระหว่างที่มันแว้งตัวจะผละหนีบนพื้นเอียงเทแบบนั้นลักษณะของมันจึงหงายทองกลิง้งลุล ล, ล, ลงลปอย่างไม่เป็นท่า ดูเดือดพอๆกับการไล่เพื่อหมายเหยียบขยี้เยือของมันเช่นกับอีกสองตัวอยู่ห่างลงไปหน่อยหมุนตัวกลับได้ทันแล้ววิ่งหางจุกกน้นก้อนหินก้อนดินกระจายบายหน้าลบมุมเส้นทางเหลี่ยมบังของเนินก่อนที่เชฐาช้ยันหรือคนอื่นใดจะทันกระหน่ำทันจะมีก็แต่เสียงตะโกนกันขึ้นเอ็ดฟังไม่ได้สับ เจ้าด้วนขยโยกเท้าหน้าตะกายเลิ้ยวเข้ามาหาฝ่ายมนุษย์อันเปรียบเสมือนที่พึ่งของมันยามนี้พร้อมกับเสียงร้องยาวดังอยู่เช่นนั้นเสียงกระดึงที่ผูกคอของมันที่ดังอยู่โกรกเกรกเพิ่งจะแววขึ้นมาให้ได้ยินทันัดเอาเดี๋ยวนี้เองพิสูจน์ว่าไม่ผิดตัวไปแน่ อนุชากระชากลูกเลื่อนอีกครั้งอย่างเยี่ยมเกรียมเยือกเย็นรอกระสุนกระเด็นลงมาตกอยู่เบื้องหน้าทเท้าเท้าของดารินทรงควันหยุ่กรุ่นกรุนแล้วตกยัดลูกที่สามกลุมเข้าไปอีกดารินภาวาเขาบังทางปืนไว้ระวังที่วิ่งเข้ามาหาเรานะเจ้าด้วนล่อนร้องโวยวายขึ้นรู้รหรอกนะรำคาญยิงน้อยนี่ ร้องตั้งเย่งเย่งอยู่ได้ถ้าถ้าช่วยยิงตะกี้นี่นะไอส้สตัวที่กวดไล่หลังมันชักดิ้งชักมอไปหมดแล้วนี่ปล่อยมันหนีรอดไปได้สองตัวเอาแต่ร้องแยกแยยอยู่ได้อนุชาพูดสะบัดหุน่นหุ่นอย่างงดหงิดขัดใจน้องสาวที่มัวแต่ประทับปืนยืนเฉยอยู่ในตอนแรกจะทําได้ก็แต่เฉพาะร้องแรกแขกระเชยอยู่อย่างเดียวเพราะเลเห็นช้างคู่บารมี ถูกปวดไล่ทำร้ายมาอย่างน่ากลัวเขตหาชัยยันและหนานอินบัดนี้ก็ชูไรเฟิลขึ้น45องศาแล้วเพราะยิงไม่ทำซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ช้างใหญ่ของดารินที่ถูกไล่ทำร้ายมาจากที่ใดที่หนึ่งจากตีเนินข้างล่างแล่นขึ้นมาถึงบนยอดเนินซึ่งฝ่ายมนุษย์ชุมนุมกันอยู่ดารินส่องไฟแล้ววิ่งปราดเข้าไปหามันทันที ซึ่งมันก็หยุดยืนหมุนตัวอยู่ไปมาเหมือนช้างเรียนที่เพิ่งจะหนีพ้นจากไยเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าของได้หลอนร้องถามละล่ำละลักมันราวกับจะพูดราวกับมันจะพูดกล่อนได้เแล้วก็เร่งให้ทุกคนช่วยกันเข้าไปส่องไฟตรวจ ด, ดูตามร่างกายของมันมันไม่เป็นไรรอกนายหญิงไม่มีรอยถูกแทงแล้วก็ไม่มีแผล เสียงนั้นอินบอกมาจากทางบั้นท้ายของมันระหว่างที่หญิงสาวเข้าไปยืนลูปงวงอกสันขวัญแขวนอยู่อนุชาก้าวสวบๆเขามายืนอยู่ตรงหน้ามันเบื้องหลังหลอนบอกเสียงต่ำต่อมาว่าฮะอยักัลูกชายก็ไม่ปานนี่อยากจะรู้นั ก, กว่าถ้าเป็นพี่ชายหรือคนอื่นๆในบรรดาพวกเราถูกไอ้ช่างนารกพวกนั้นไล่ขับมาแบบเนี้ย แม่จะประคุณเจ้าห่วงหาอาธรเหมือนยังให้ด้วนนี่หรือเปล่านี่นะมันปลอดภัยแล้วนะระวังพวกเรากันเองเหอะคืนนี้ไอ้ผีดีเปิดหนีไปแล้วก็จริงอาจจะเจอศึกใหญ่จากช้างอีกฮแล้วเขาก็หัวราอถอดบุหรี่ที่ยังคาบอยู่ในปากดีดกระเด็นไปร้องถามเจ้าด้วน ว, ว่ายังไงวะไอ้เวรคุณด้วนเสือกพระแยกทางหายไปสิเฉย เสร็จแล้วยังไงถูกไอ้พวกนั้นดักเล่นงาน ใ, ใช่ไหมล่ะถึงได้โกยอ้าวตัวโกงกลับมาหาคุณแม่ดารินของเองนี่มันน่าปล่อยให้พวกนั้นรุมเหยียบช่นหะเจ้าด้วนไม่ตอบอะไรเพราะมันตอบไม่ได้นอกจากยืนร้องแอะออกมาเบาๆทุกคนเปลี่ยนจากสภาพความตกใจมาเป็นขบขันงองดูบันด้วยอาการต้อนรับ ดารินหันมาถลึงตาใส่พี่ชายกลางเสียงหล่อนแข็งขึ้นมาทันทีหิอย่าโหดร้ายใจดําแล้วก็หยาบคายกับมันนักเลยพี่กลางแล้วก็อย่านึกว่ามันจะต้องพึ่งเราฝ่ายเดียวไม่ช้าก็เร็วอะพวกเราก็ถึงต้องพึ่งมันมั่งแน่ๆถ้าพี่กลางไม่ช่วยยิงมันตะกี้นี้เนาะก็ต้องช่วยมันมันยังขาแหละเออก็ทำไมไม่ไม่ยิงช่วยมาล่ะ วแต่เต้นเป็นงิ้วอยู่อ่ะอนุชากระชากเสียงมาก็ยังมองไม่เห็นชัดกะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอะ่ะถึงยังไม่กล้า ย, ยิงไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่พี่กลางนี่ซัดโครมโครมก็ไปก่อนแล้วต้องดูให้แน่ซะก่อนว่าเจ้าตัวไหนคือเจ้าด้วนเพราะพี่กลางก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วอะ่ะต้อยพลาดไปถูกเจ้าด้วนพี่กลางก็ไม่คํานึงถึงใช่ไหมล่ะดารินตวาดมาบ้าง พี่ชายกลางไม่สนใจอะไรอีกเดินพละกลับไปยังบริเวณที่พักนอนอย่างง่ายๆปล่อยทุกคนยังยืนชุมนุมกันอยู่ที่นั่นพร้อมก็เสียงพูดซักถามกันจอกแจกดารินคอนตามหลังไปอย่างเดือดๆเฮด้ย hey, สองคนนี่ยังไงนะเห็นดีกันไม่ได้นานเลยกัดกันยันนะ่ะชัยยันบ่นออกมาเชษฐาก็เอ่ยถามขึ้นเป็นประโยคแรกว่า นี่มันไปยังไงไมายังไงกันนะทางด้านพี่พอได้ยินเสียงช้างร้องแปร็นขึ้นเหลียวกลับมาก็ได้ยินเสียงปืนตูมตูมเลยเล่นเอาใจหล่นไม่ถึงตาตุ่มอีกลอนบุยปากไปทางอนุชาผู้ขนาดนี้ไปนั่งอยู่บนบริเวณที่ปูพื้นไว้จัดที่นอนของตนเองง่วนอยู่คนเดียวหางเสียงหล่อนประชดแดกดันได้ยินเสียงช้างร้อง ครั้งแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นเจ้าด้วนแต่ว่าฉายไฟดูเห็นตัวนะึงวิ่งตะกายขึ้นมาหาพวกเราบนเนินนี่อีกสีตัวกวดไล่หลังมาตอนนั้นน้อยยังไม่แน่ใจนักนะว่าอะไรเป็นอะไรพอพรานใหญ่นั่นสิก็ก็สั์โครมเลยโชคดีนะที่ไม่ถูกเจ้าด้วนเขาเข้าใจว่ามันคงจะถูกไล่กวดรุมทํร้ายมาจากทางด้านแยกซ้ายมือข้างล่างนั่นล ะ, ะั แล้วเจ้าด้วนก็แล่นหนีมาหาเราพี่กลางก็ซัดกริ่งไปสองตัวอีกสองตัวก็เปิดหนีน้อยน่ะไม่อยากจะซ้ำหรอกเพราะมันยอมหนีไปแล้วไม่ได้กําแหงหานตามขึ้นมาอีกพี่กลางก็คงกะจะยิงทิ้งให้หมดสำหรับน้อยนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากฆ่าพวกมันหรอกแล้วเขาก็หงุดหงิดที่น้อยไม่ช่วยยิงเอาละเอาละมันไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วนี่ เจ้าด้วนกับเพนกลับก็ามารวมกับพวกเราบนนี้ก็ดีละมันจะได้เป็นยามระวังเหตุให้ด้วยเธอก็ส่งภาษามันรู้ไปแล้วกันว่าคืนนี้ยให้มันอยู่บนนี้กับพวกเราอย่าทะลึ่งผักไปไหนตามลําพังอีกเดี๋ยวก็จะถูกรุมฆ่าจากไอ้โขลงช้างผีลงนั่นฉับเปล่าโชคดีแล้วที่มันยังฉลาดพอที่จะวิ่งมาหาพวกเราเพื่อความแน่ใจดารินก็เดินส่องไฟฉายดูไปรอบๆตัวเจ้าด้วน แต่ก็ไม่พบบาดแผลอะไรตรงตามที่หนานอินบอกเจ้าด้วนยืนสงบนิ่งให้หลอนสำรวจดูมันหมดทุกส่วนแม้แต่จะเดินลอดเข้าไปดูใต้ท้องไ ม, ไม่คิดหรอกนะคะเมื่อเจ้าด้วนจะขี้ขลาดหนีพวกนั้นมาเพื่อขอการช่วยเหลืออะไรของเราแต่คิดว่าที่มันรีบแล่นขึ้นมาหาเราก็คงจะต้องการบอกเหตุให้ทราบว่าข้างล่างตีนเนินน่นหรือแวดล้อมเนินเหล่านี้ทั้งหมด อาจจะมีโคลงช่างของมันไตรมาแอบล้อมคุมเชิงอยู่ก็ได้แล้วก็เคยเห็นมาแล้วว่าถ้าบทมันจะสู้ขึ้นมาสีหรือห้าตอนหนึ่งมันก็เคยสู้แบบไว้ลา์มาแล้วนี่อยากจะเอาใจน้องสาวและตัดปัญหาทั้งมวลเทถาก็เลยพยักหน้าบอกมาว่าอืม อ, อืมก็อาจจะเป็นอย่างน้อยว่าก็ได้แต่พี่เชื่อว่าคืนนี้ไม่ว่าไอ้พวกผีตายซากหมื่นปี เลยพวกช้างร้ายที่มันตรใช้เป็นบริวารมันไม่กล้าบุกเนินศักดําำขึ้นมาทำอะไรเราได้หรอกอไปกลับเข้าไปนอนพักเอาแรงกันดีกว่าประโยคหลังเขากล่าวชวนแล้วพยักหน้ากระชัยยันทั้งหมดพากันเดินเข้าสู่บริเวณกองไฟของที่พักคงเหลือแต่เพียงดารินและนันอินสองคนเท่านั้นที่ยังอยู่กับเจ้าดวดในขณะนี้